ใช่ไหมคะแล้วสมมติว่ามันมีสองกรณีถ้าเขาให้เขารับสารภาพแล้วเขาเขาถูกจําคุกกับให้เขาปฏิเสธแล้วเราสืบแล้วสืบไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นที่ประสราข้อสงสัยเขาก็เขาก็ถูกจําคุกอีกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าโหถ้าเกิดเขาถูกจําคุกเราจะรู้สึกว่ยแย่มากๆอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งที่เราทําเต็มที่แล้วอ่ะเราควรจะวางใจไว้ไว้ยังไงคะ่ะ คนเราเกิดมาเนี่ยเขามีกรรมเป็นของของตนกรรมมัศกากรรมะทายาทากมายโอนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสระลายังกรรมังกริตสันติกัลยาณ์ังวาปาประการวากัลสตยญาาพวิตติคนเราเกิดมาทั้งคนเนี่ยมันมีกรรมดีกรรมชั่วติดมาเลยติดมาแล้วก็ติดสุดแล้วเนี่ยตรงผลให้ไปเกิดในที่ต่างๆกันมีกรรมติดมาตั้งแต่เกิดติดมาเลย แล้วก็เรามาเกิดทุกคนดูสิเนี่ยทุกคนเนี่ยบางทีพาดทังไปเกิดในท้องสัตว์ในราชาประเภทต่างๆไปเกิดเป็นเปรตเป็นนุรักษกายสัตว์นรกไปเกิดเป็นเทวดาต่างๆในชั้นต่างๆมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ลุก่าแตกต่างกันไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีครอบครัวมีตระกูลที่แตกต่างไปยากจนคนแค้นแสงสาหัสบ า, างคนเกิดมาก็ครับทอนเงินทอนทองเลยมีสมบัติของศาสนลอยลอยอยู่ตั้งมากมายก่ายกองความแตกต่างตรงเนี้ย มันไม่มันเป็นเพราะกรรมที่ได้สร้างมาติดมาเลยติดจิตมามันเป็นเงาตามตัวเราเนี่ยก็ทําให้เต็มที่ในหน้าที่ของเราเป็นผู้อาสาก็ทาหน้าที่ดโดยชอบทาเป็นในเยาการเป็นนายความเป็นอาชีพอื่นเราก็ทําได้ความชอบทาทําเต็มที่ของเราในช่วยเหลือเขาเต็มที่ตามกาลังสติสมาธิตามกลม า, ามกลังของสติปัญญาที่เราเราเรียนมาเต็มที่ เมื่อทําก็นําเต็มที่แล้วอไม่ไม่มีด้วยไม่มีอคติสีไม่กิไม่รับเอียงเพราะรักเพราะจังเพราะเพราะรักเพราะจังเพราะว่าความโง่ความเออ่พราะความหลงเรื่องสินบนต่างๆนี่พอเราเนี่ยมีความเที่ยงธรรมแล้วเราก็ทําเต็มสติปัญญาของเราแต่เมื่อเขาต้องรับผลของกรรมรับของกรรมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทํากรรมนี้ แต่กรรมที่ก็ทํามาเนี่ยในพบชาติก่นกอนๆเนี่ยส่งผลให้เขาเนี่ยต้องได้รับผลของกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําใจที่ทําใจได้คือกรรมนี่เองเพราะว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเราไม่ไม่รู้เห็นว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องตัดสินตามรูปพดีว่าความไปตามรูปอพอดีพอเราก็เราทําเต็มที่แล้วเขาเขาติดคุกไป ก็อันเนี้ยมันก็เป็นกรรมถ้าเราเนี่ยเราลึกชาติได้เราจะทํางานยากกว่านี้อย่ว่ามันไม่ได้ทํากันในชาติเนี้ยมันไม่ได้ทํากันถ้าเรามองเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ทํากันแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะยาหลักานมันมัดแต่พบชาติก่อนๆมันทํากันมามันจะต้องโดนเอาคืนอย่างเงี้ย มันมีซับซ้อนมากกว่าที่เราจะเข้าใจกรรมอย่าไปทําเขา้าเนี่ยพ่อแม่กูบาอาจารย์หลวงปู่อาว่านเก็มมะโกท่านท่านเตือนอยู่มากเลยว่าอย่าไปทํากรรมที่เลี้ยงสัตว์กักขังเราเขาเนี่ยไปกักขังกกงไว้แล้วเราก็บอกว่าเลี้ยงเขาอย่างดีสุขสบายให้อาหารกินทุกมือแต่กรรมอันเนี้ที่สุดเนี่ยมัวไปติดคุกติดตารางแล้วก็มี มีอาหารไม่ให้กินทุกมือแต่มันสุขสบายไหมล่ะมันมีอาหารไม่ให้กินทุกมือแล้วก็ต้องถูกขังคุกขังตารางเพราะนั่นเนี่ยเราทํากรรมมาก่อนอย่าไปเลี้ยงสัตว์กักขังเขาอย่าไปกักขังเขาพอไปกักขังเขาเนี่ยเราบอกว่าเราเลี้ยงเขาดีมากเลยเราให้อาหารเขาอย่างดีที่สุดเนี่ยเออหลวปู่ว่านนันว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องโดนกักขังมั้ง เราเขาก็าให้อาหารเรากินแต่แล้วมันดีไหมท่านว่าที่มันกรรมมันซับซ้อนกว่า น, นี้เยอะมากไปเราไม่เข้าใจเราทําให้ดีที่สุดนันแนะทุกคนทุกชีวิตต้องเป็นไปตามกรรมกรรมุนาวัตติโลโกโ ส, สัตวโลกต้องเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นโดยแน่แท้ เมตบังเอินในโลกนี้ไม่มีไม่มีเป็นกรรมของเราด้วยไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมของเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปต้องไปไปกรรมถ้าเราเอาใจไปผูกกับเขาแล้วเรามีความทุกข์กับเขานั่นแหละมก็คือกรรมกรรมนั่นก็นคือมันทําให้ใจเราเป็นทุกข์ถ้าไม่เอาใจไปผูกกับเขามันก็ไม่มีกรรมร่วมกันเราก็ไม่ต้องทุกข์กับเขา ที่เราใจาไปปลูกกับเขามันก็เลยมีกรรมเริ่มการทําให้ใจเราเป็นทุกข์พอเขาติดคุกติดตารางไปเราก็เลยใจยเป็นทุกข์กับเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์ติดตัวมาแต่ความจริงทุกคนก็มีกรรมมาตั้งแต่เกิดแล้วเราก็มีกรรมมาตั้งแต่เกิดไม่ว่ามาเป็นอาชีพใดที่สุดเราก็มีกรรมมาตั้งแต่เกิดทุกคนแล้วกรรมในปัจจุบันเราก็ยังทําอยู่การคิดการพูดการกระทําคือคํากรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างที่สุดแล้วละบาปจนหมดเหลือแต่กรรมดีมันก็ยังต้องทําอยู่กรรมดี แต่กรรมชั่วไม่ผิดศี่ห้าแล้วแต่กรรมดีก็ยังทําอยู่เพยังต้องทํากรรมอยู่ที่สุดแล้วกรรมดีที่ทํานั้นปรารถนาคือความสิ้นกิเลสบรรลุพระนิพพานในปัจจุบันไม่เอากลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่เอากำที่เอากรรมดีที่ทํานั้นไปเป็นอะไรอีกไปปัถ น, นาที่จะเป็นอะไรอีกก็สิ้นกรรมไปคือหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของธรรมชาติ อยู่ที่เราเลือกเดินทางเราจะเลือกเดินทางอย่างไมเราทําบุญให้ทานไอ้ทานรักษาศีลภาวนาแต่บางคนก็อธิษฐานเอาอธิษฐานไปเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็แล้วแต่ว่าบางคนไอ้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็อธิษฐานขอให้ถูกหวยขอให้ร่ำรวยขอให้เลื่องยศเรื่อนตําแหน่งขอให้มีโชคลาภไปบุญขอให้มีสุขภาพดีขอนั่นขอหนี้เสร็จแล้วก็ขอให้ลูก ขอให้สามีขอให้ลูกขอให้หลานขอให้ตัวเองเสร็จขอให้สามีส KNOW, สาขอให้ลูกขอให้หลานขอขออยากเป็นน้องขออยากไปเกิดเป็นเทพเจ้าดาลังฟ้าสวยๆอันนั้นก็เกิดเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นไปตามปรารถนาของเราเมื่อเราปรารถนาเช่นนั้นก็ต้องไปเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อเราจะต้องไปเกิดอีกกรรมก็ต้องตามเราไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรกรรมนั้นก็ติดตามไปเป็นเงาตามตัวไม่มีไม่มีหายไป นอกจากว่าบาปกรรมพระหมดจนหมดสิทธิ์แล้วิไม่ผิดสิน5ห้าแล้วต้งแต่ผิดต้งแปดสิท5ห้าเป็นต้นไปไม่ผิดแล้วก็ถ้าเป็นพระภิกษุก็ไม่ผิดสินสองยีิบเจ็ดแล้วก็เราเป็นภาวนาจนละไปวางได้หมดปรารถนาความสิ้นกิเลสและทุกข์ในปัจจุบันไม่คิดว่าจะเอาความดีไปทำอะไรอีก บาป ก, กรรมก็ละจนหมดสิ้นแล้วความดีก็ทำจนถึงที่สุดไม่คิดจะเอาความดีไปเกิดเป็นอะไรอีกไม่ปรารถนาจะไปเป็นอะไรก็หยุดความคงแต่งหยุดติ้นลนทยานอยากปล่อยวางความปรารถนาหมดสิน้นก็บรรลุผลนิพพานเลือกเอานะทำบุญได้ทานแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านบอกให้ปรารถนาอย่างเดียวเขาจะปรารถนาให้สิ้นกิเลส หรืบรรลุนิพพานในปัจจุบันนี้ด้วยเทินแต่คนโบราณเขาใช้คําว่าไม่วกาเขาจะทําอะไรคนโบราณเขาจะยกมือท่วหมหัวแม้แต่เขาใส่บาทใส่บาทพระพิสุที่เดินมิตาบาตมาแม้แต่ข้าวเม็ดเดียวเขาก็ยกมือท่วหมหัวว่านิพพา น, นะปัจจโยโห้ตุเขาปรารถนาแต่นิพพานนิพพานนิพพานคนโบราณเนี่ยคนท่าคนแก่ใส่บาทอ่ะ นิพพานปัจยโยโหตุนิพพานะปัจจโยโหตุแต่คนสมัยเนี้ยทำบุญให้ทานทำความดีอะไรขอให้ถูกหวยขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคลาภขอโน่นขอนี่เราเนี่ยปารถนาแต่กิเลสและความทุกข์เพราะถ้ปาปันากิเลสมันก็ปัถนาความทุกข์ด้วยท่านจึงบอกว่าให้ปารถนาความสิ้นกิเลสหรือบรุพะนิพพานในปัจจุบันนี้ แต่หลายคนไม่ยอมทำเป็นห่วงว่าถ้าปัทธณาความสิ้นกิเลสรุนิพันในปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะยากจนเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะไม่ได้เกิดเป็นนางฟ้าสวยๆไม่ได้มีโชคลาภไปบุญเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะอย่างนี้เดี๋ยวจะอย่างนี้ไม่เอาหรอกตัาาราชานิสานก็อธิษฐานเราบอกให้อธิษฐานอางเดียวร้อยสิ้นกิเลสรุนิพานในปัจจุบันทำความดีอะไรแต่ละครั้งไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลภาว น, นาสวดมนต์ไหว้พระ ตั้งสมาธิเดินจงกรมให้ทิฏฐานปัดอย่างเดียวให้สิ้นกิเลสพระวิพั้นในปัจจุบันนี้หรือนิพพานนปัจโยโหตุในปัจจุบันนี้ได้เธอไม่ฮะแต่ละคนอธิษฐานยาวยาวนานเ้ยทาไมบางทีไปยืนรอยอลอลอบิฏบาทมามยนตแอบทิฏฐานอย่างเดียวไหมโยมก็ยืนจบนานมากเลยขอยาวมากเลยตอนนิพพานนปัจโยโหตุก็จบแล้วแต่นี่ขอกันยาวมากเลยแล้วเมื่อเราขอเยอะมากแลก้วคิดดูสิ สิ่งที่มันได้ยากที่สุดคือ น, นิพพานแต่ไปขออย่างอื่นสุดท้ายมันก็เป็นได้อย่างอื่นหมดแล้วมันทุนต้นทุนก็ไม่เหลือมาเป็นนิพพานแล้วเพราะว่าขอตั้งไม่รู้กี่ร้อยอย่างขอหมดเลยปัจฉนาเยอะหมดแล้วก็ไม่ได้เบี้ยบ้าหลายทางแล้วเรามีทุนอยู่ก้อนเดียวอะบุญบา ร, รมีที่เราสั่งสมมาคือมีทุนอยู่ก้อนเดียวเราจะไปลงทุนที่ยากที่สุดคือ น, นิพพานในปัจจุบันแต่เราเอาไปใช้แตกลงทุน ต้องไม่รู้กี่ร้อยกองทุนแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะสุดท้ายมันไม่เหลืออะไรที่จะมาบารูปบำเพ็ญนิพพานได้ชีวิตเลยมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราไปลงกองทุนเดียวกองทุนใหญ่คืนนิพพานโอ้ยายงอื่นมันก็ได้กำไรในกองทุนนิพพานแล้วยังอื่นมันก็เรื่องเล็กเลยกองทุนเล็กกองทุนน้อยเรื่องเล็กเลยอันนิพพานเป็นอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ครอบโลกก็ธาตุจักรวาลโลกธาตุ บุญบุญบารมีทั้งหมดก็มารวมในนิพพานนี่แน่เอามาที่ฐานจิตได้ปัท anna มันก็ง่ายได้เหมือนพลิกฝ่ามือโอ้ยถ้าไปปัท anna เล็กๆน้อยๆซะก่อนแล้วก็มันก็ไ อ, อ้บุญบรารมีที่มีกองทุนกองเดียวไปแตกขยายกองทุนถ้าเป็นไปซื้อกองทุนต้องเป็นร้อยๆกองทุนจะไปเหลืออะไรไอ้กองทุนใหญ่ไม่ได้เหลือกี่บาทตอนนี้มันก็เราก็ลงทุนแต่ไอ้ที่มันทําให้เราเป็นทุกข์กิเลสและความทุกข์ปัท anna แต่กิเลสทั้งนั้นเลย ก็ต้องปัทนายสิ้นกิเลสนะ